อากาศหนาวๆอย่างเช้านี้นะหลายคนก็คงจะไม่ชอบบางคนก็รู้สึกเป็นทุกข์ก็อย่าเพียงแค่ไม่ชอบหรือเพียงแค่เป็นทุกข์ตอนนั้นนะให้ลอง ดูใจของเราด้วยเพื่อให้รู้ว่าตอนนี้เราไม่ชอบตอนนี้เราเป็นทุกข์ถ้าหากว่าเห็นความไม่ชอบเห็นความทุกข์ในใจอันนี้ก็ถือว่าได้ประโยชน์นะ อย่าทุเา์เปล่าๆนะใช้ประโยชน์นะจากความทุกข์ก็คือเอามาเป็นการบ้านหรือเป็นอุปกรณ์เพื่อฝึกให้เรารู้เท่าทันมันมีสติเห็นมัน มันไม่ใช่เฉพาะความทุกข์เพราะหนาวทุกข์เพราะร้อนทุกข์เพราะปวดทุกข์เพราะเมื่อยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็อย่าแค่ทุกข์เฉยๆอันนี้มันจะไม่เกิดประโยชน์อะไรซ้ำจะขาดทุนซะอีกนะ แต่เธอในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ใช้ประโยชน์จากมันให้ได้เอามาเป็นอุปกรณ์เอามาเป็นการบ้านนะนะเพื่อให้สติของเรานะรวดเร็วอะไรเกิดขึ้นกับใจและกายของเราแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นนี่ก็มีประโยชน์แล้วนะ เช่นเวลาใจมันเป็นทุกข์ใจมันบ่นพึมพำหรื อ, อไม่พอใจเป็นทุกข์เพราะความหนาวก็เห็นมันรู้ว่าเออมันมันเกิดขึ้นกับใจของเรา แค่รู้เนี่ยนะมันก็มีประโยชน์สองประการก็คือว่าหนึ่งมันฝึกสติเสริมสร้างสติของเราให้ทำงานรวดเร็วมากขึ้นหรือพูดง่าคือรู้ตัวได้ไวขึ้นประการที่สองเมื่อเมื่อรู้ว่าใจมันนะเป็นทุกข์แค่รู้เท่านั้นแหละนะ ใจไม่จะกลับเป็นปกติได้เมื่อรัวใจบ่นพึนพรรมพำใจอาจจะรู้สึกชังความหนาวแค่นี้เนี่ยใจก็ทุกข์ละจิตเนี่ยดิ้นเมื่อไหร่หรือกระเพื่อมเมื่อไหร่ มันก็ทุกเมื่อ น, นั้นแหละดิ้นเพราะอยากนะก็ทุกดิ้นเพราะผักใสหรือดิ้นอยากจะครอบครองหรือดิ้นอยากจะผลักออกไปเท่า น, นี้แหละก็ทุกแล้วแต่พอมีสติเห็นนะอาการ ดินเหล่านี้เนี่ยจิตมันกกลับไปปกติได้เพราะกลับมาเป็น ป, ปกตินะความทุกข์ก็หายไปกายยังหนาวอยูย่แต่ว่าใจมันไม่หนาวแล้วปกติเนี่ยเวลาเวลาอากาศหนาวเนี่ยมันไม่ได้หนาวแค่กายมันหนาวใจด้วย หนาวใจคือใจเป็นทุกข์ใจมันมีอาการบวยวายตีโพยตีพายหรือว่าเกิดโทสะต่อความหนาวอันนี้เรียกว่าใจหนาวแล้วถ้าลอยลึกไปก็จะพบว่าใจนี่มันไปยุดเอาความหนาวของกายเป็น ความหนาวของมันอันนี้มันมันซ้อนเข้าไปอีกตัวหนึ่งหรือว่ามันไม่ใช่แค่หนาวกายนะแต่ว่ามันมีความรู้สึกว่ากูหนาวนะชั้นหนาวมันมีตัวนี้นะซ้อนเข้ามาซึ่งทำให้ใจเป็นทุก ความปวดความเมื่อยก็เหมือนกันนะมันไม่ใช่แค่ปวดเมื่อยที่กายส่วนใหญ่แล้วเนี่ยใจก็จะปวดใจก็จะเมื่อยด้วยตรงนี้คนไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ก็ไปคิดว่าไอ้ที่ทุกเนี่ยเป็นเพราะว่ากายปวดกายเมื่อยหรือที่ทุกนี่เป็นเพราะว่ามันหนาวนะหรือกายหนาวแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมี ตัวการสำคัญที่ทำให้ทุกข์มากคือใจนี่แหละนะใจที่บนไวไว่นโวยวายตีโพยีพายใจที่วิตกกังวลกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดอะไรขึ้นตามมาปวดเมื่อยถ้าปวดเมื่อยปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปนานๆเดี๋ยวก็อาจจะเส้นพิก ข, ขาเดี้ยงหรือว่าถ้าหนามมากนี้ กลัวว่าจะป่วยอะไรเงี้ยไอความวิดกั ง, วงกวลตกวิตกวิตกวิตกวิตกวิตกขิตก ก, ก, ก, ก, นะ ก, กกวิตกวกวิตกวิตกวิมกวิตกวิตกวิตกวิมกวิตกวกวิตกวิตกวอตกวิตกวิกวิตกวินกวิตกวิตกิตกวิตกวิตกวิตก่ิตวนตกวิตกวิตกวิตกวิตกวิตกวิกวิตกวิตกวิตวิตกวิตกวิตกวิตกวิตกวตกวิตกวิวิตกวกวิตกวิตกวิตกวิตกวิวิตกวกวิตกิตกติตกกกวกิ สองส่วนสามส่วนหรือสองเท่าสามเท่านะก็ว่าได้นะเรียกว่าทุกคูณสองคูณสามเลยนะก็เคยมีการวิจัยเพราะว่าคนที่กลัวเข็มฉีดยาเนี่ยเวลาโดนเข็มทิ่มไปเนี่ย แต่เจ็เป็นสามเท่าของคนที่ไม่กลัวก็หมายความว่ามีความปวดเพิ่มขึ้นสองสองส่วนเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กลัวส่วนหนึ่งนะมันเป็นความปวดกายแต่ที่เพิ่มขึ้นมาอีกสองส่วนเป็นสามเนี่ยคือความ ความปวดที่เกิดจากความกลัวหรือปวดใจนั่นแหละพอกลัวพุ่มนี่ความปวดมันก็เพิ่มขึ้นเลยหรือเพือ่อความทุกข์มันก็เพิ่มขึ้นแต่ทาไมกลัวทุ่มก็หายไปสองในสามก็เหลือแค่หนึ่งในสามอยู่ในสภาวะอยู่ในอาการระดับที่พอทนได้ หรือว่าสบายถ้าลองสังเกตดูเนะี่ยอากาศแบบนี้นะอากาศที่ไม่ถูกใจเราไม่ว่าจะเพราะหนาวหรือเพราะร้อนหรือเพราะชื้นแฉะก็ตามมันเป็นโอกาสดีให้เราได้มาฝึกดูใจของเรา ถ้ามันสบายๆนี่เราก็ไม่ค่อยได้ไม่ค่อยสนใจที่จะดูใจเท่าไหร่นะเพราะมันสบายแล้วหรือพอมีสุขแล้วก็ก็อยากจะให้สุขเรื่อยไปแต่พอเจออากาศที่ชวนให้ไม่สบายชวนให้ไม่พอใจเนะี่ยมันก็มีความอยากที่จะหนีออกจากสภาวะเช่นนั้นกิจมันก็เริ่มนะ กระสับกระสายไอ้ตรงนี้แหละที่ทําให้เราได้เห็นนเห็นอาการของใจเราชัดขึ้นนะเวลาสบายแล้วมันก็ลหลงไหลมันก็เพลินนะไม่ค่อยได้เห็นใจของตัวเท่าไหร่เพราะมันเพลินเส็จแล้วแต่พอเจออทุกขเวทนาเข้าจิตมันดิน้นอยากจะออกอยากจะผัก อยากจะหนีอตินนมนบมากระบจนกระปอกกระแปดอนี่เป็นต้นแล้วก็เห็นเห็นอะไรเนี่ยก็ถือว่าดีทั้งนั้นนะถ้าหากเห็นด้วยสติแต่ส่วนใหญ่อะไม่ค่อยเห็นหรอกนะมันเข้าไปเป็นเลยแทนที่จะเห็นความหนาวแล้วก็เป็นผู้หนาวแทนที่จะเห็น ความไม่พอใจก็กลายเป็นผู้ไม่พอใจแทนที่เห็นความโกรธก็เป็นผู้โกรธการเจริญสติหรือการปฏิบัติกรรมฐานในพุทธศาสนาในสิ่งสำคัญคือเห็นนะเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นอะไรเนี่ยถ้าเห็นด้วยสติแล้วดีทั้งนั้นโดยเพราะเห็นทุกนะอย่างที่ได้พูดกันเมื่อเช้านะว่าเมื่อเช้าวานเนี่ยทุกเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องรู้ แล้วจะรู้ได้ก็ต้องเห็นมันแต่ถ้าเขาไปเป็นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะเขาไปเป็นผู้ทุกข์มาแล้วก็ไม่เห็นทุกข์หรอกอ้ามันก็ไม่รู้ทุกข์หรอกเมื่อก็คนที่ถูกครอบถ้าก็ว่าเราถูกครอบด้วยอะไรสักอย่างด้ว่ยโดยกลาใหญ่ๆก็ได้ <c oughs> เราก็จะไม่เห็นสิ่งนั้นเราก็จะไม่รู้จักสิ่งนั้น เราจะรู้จักสิ่งนั้นแด้ก็ต่อเมื่อเราออกมาเจ่นเราออกมาจากศาลานะก็จะเห็นหรือแม้กระทั่งอยู่ในตรงเนี้เราอยู่ในศาลาเนี่ยถ้าเราอยู่ในศาลาเราก็ไม่เห็นศาลาเราก็ไม่รู้จักศาลาดีจนกว่าเราจะออกมานะจากศาลานะเราก็จะรู้จักมันดีขึ้นว่าเออมันมีรูปพันธสันญานอย่างไรนะ จะรู้จักอะไรก็แต่เมื่อเห็นสิ่งนั้นจะเห็นสิ่งนั้นก็ต้องออกมาก่อนออกมาจากสิ่งนั้นมีอาจารย์คานชิเคยเล่าอ่เคยพานักเรียนคนหนึ่งนักเรียนจากเยอรมันนะมาคงมา แลกเปลี่ยนเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาเรียนที่โรงเรียนกาญจนาก็เป็นวัยรุ่นก็ทอนนี้ก็พาไปโรงเรียนแห่งหนึ่งท่านก็ไปบรรยายแล้วก็พานักเรียนคนนี้ไปด้วยพอบรรยายเสร็จก็มีนักเรียนไทยมารุมรอบนะ นักเรียนคนนี้นะเห็นเป็นฝรั่งก็อยากสนทนานะก็เรียกว่ารุมอินุงตรุลนะังจนกระทั่งพอออกจากโรงเรียนนั้นนะก็เลยบอกนักเรียนคนนั้นก็เลยบอกอาจารย์กที่ว่เพิ่งรู้นะโรงเรียนเราสงบนะไอ ต, ตอนอยู่ที่โรงเรียนการน้ําไม่รู้หรอมันสงบนะ พอออกมานี่นถึงรู้ว่าโ อ, อ้มันสงบแท้นะออกมาจากเรียนการจนกษาไปเจออีกพอไปเจอบรรยากาศข้างนอกมีคนมารุมล้อมวุ่นวายหมดคือเด็กก็รู้ว่าเออออกมาจากเมื่อออกมาจากสิ่งนั่งถึงจะรู้จักสิ่งนั้น ออมาจากโรงเรียนก็จะรู้จะรู้จักโรงเรียนว่าโรงเรียน ม, มันสงบเมื่อกับเราอยู่วัดอยู่ไปนานๆเนี่ยก็ไม่รู้สึกอะไรแต่พอออกจากวัดเข้าไปในเมืองแกล้งคออันี่โอ้ถึงรู้ว่าในวัดนี่มันสงบมากอาจารย์ชี้ขบอกกันนะว่าเนี่ยเราจะรู้จักสิ่งใดก็ต้องวันเราออกมาจากสิ่งนั้นตอนในเรื่องนั้นก็บอกเ อ, อใช่นะเพราะว่า อยูเยอรมันนี่ก็ไม่คยรู้จักเยอรมันเท่าไหร่พอออกมาจากเยอรมันมาอยู่เมืองไทยนะก็รู้จักประเทศของตัวเองดีขึ้ น, นคนไทยเราเนี่ยนะก็เหมือนกันนะพอไปเที่ยวเมืองนอกนะเราก็จะรู้จักเมืองบ้านเมืองของเราดีขึ้นอาจจะรู้สึกเออมันน่าอยู่นะน่าอยู่กว่าที่คิดไนอะตอนอยู่เมืองไทยมันวุ่นวายมันสารพัด แต่พอปอยู่เมือง น, นอกเพราะว่าเมืองไทยเรายั ง, ยงมีสเสน่ห์น้าอยู่หรือบางทีก็เห็นในด้านที่ไม่ดีนะไปเห็นความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประเทศในยุโรปนะคนเขา อ, าอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะใครขี่จักรยานนี่ก็มีสิทธิ์มีความเสมอภาคเท่ากับคนขับรถไม่ว่าจะเบนซ์หรือเป็นรถโลโซร้อยก็แล้วแต่มีสิทธิ์ ไม่ได้มากไปกว่าคนขี่จั ก, กรยานหรือคนเดินถนนเห็นอย่างนี้เขาก็รู้จักเมืองไทยเราดีขึ้นโอ้เมืองไทยเราไอด้ดานนี้ก็แ ย, ย่เราจะรู้จักอะไรก็ตามเมื่อเราออกจากสิ่งนั้น น, น, นถ้าเกิดว่าเราเวลาเราถูกความโกรธครอบงำเนี่ยนถูกความไม่พอใจครอบงำ เราก็จะไม่เห็นไม่รู้จักมันจนกว่าเราจะออกจากความโกรธมาเห็นมันเราถึงจะรู้จักมันใอ้ทุกขเวทนาก็เหมือนกันนะถ้าเราเช่นความปวดความเมื่อยเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ทุกเนี่ยมันก็ไม่ไม่รู้ทุกหรอกนะจนกว่าเราจะออกมาทุกเนี่ยทนะ่านึงบอกว่าทุกเนี่ยมีไว้ให้รู้นะไม่ใช่ ให้เป็นนะทุกมีไว้ให้รู้ไม่ใช่ให้เป็นถ้าเป็นทุกนี่นะขาดทุนนะเพราะว่ามันไม่สบายแล้วพอมันไม่ใช่ถ้ไม่สบายงมันเกิดความหลงตามมาด้วยพอทุกแล้วเนี่ยอวิชามันก็ครอบงำได้ง่ายแล้วก็มันก็ข้อหา นะเข้าหาสิ่งที่เป็นโทษได้ง่ายเช่นพอทุกข์กุ้มใจนะก็เข้าไปหานะสิ่งเสพบางคนก็ทุกข์เมื่อไรก็หาของกินทุกข์เมื่อไรก็ไปต้องไปเที่ยวห้างหรือบางคนหลักกว่นั้นก็กินเหล้านะสูบูรีเที่ยวผับเที่ยวบาร์เนะพราะคิด่มันต่ อ, อจากทุกข์ได้ก็เรียกว่าเพิ่มนะ เพิ่มความหลงหรือเพิ่มความทุกข์ให้มันตามมาอีกมากมายแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นทุกข์นะ เ, ออเห็นทุกข์เนี่ยนอกจากว่าใจจะไม่ทุกข์แล้วนะมันทุกข์แต่กายมันยังเกิดปัญญาด้วยแล้วก็สติก็จะไวขึ้นเพราะนั้นเวลาเราเวลาเราอยู่ในที่ที่ ไม่ชอบใจไม่ถูกใจหรือว่าที่ที่ไม่สบายเนี่ยนะถ้าเราตั้งสติให้ดีโอมันมีประโยชน์นะมันช่วยช่วยปลุกความไม่พอใจปลุกโทสะให้เกิดขึ้นเพื่อว่าเราจะได้ดูมันเราจะได้เห็นมันเราจะได้ฝึกรู้เท่าทันมันและพอรู้จักความโกรธดีนะ เราจะเราจะรู้ทันมันได้ไวขึ้นคนเราถ้ารู้จักอะไรเนี่ยเราจะถูกมันหลอกถูกมันลวงน้อยลงความโกรธเนี่ยผู้คนเนี่ยกโกรธซ้ำแล้วซ้าเล่าซ้าแล้วซ้าเล่าหรือว่าเศร้าก็เศร้าซ้าแล้วซ้าเล่าเกลียก็เกลียดซ้ำแล้วซ้ำแล้วเนี่ยก็เพราะว่าไม่รู้จักมัน โดนมันหลอกอยู่เรื่อยนะเมื่อก็เด็กนะที่โดนโดนคนแปลกหน้าหลอกนะหลอกไปในซอยเปียกแล้วก็ควักเอาเงินนะเอาสร้อยเอานาฬิกาแล้ววันลุ่งขึ้นก็โดนมันหลอกอีกวันต่อมาก็โดนหลอกอีกเพราะว่าเพราะไม่จํา แต่ถ้าเจอบ่อยๆก็จะเริ่มจำได้นลครั้งต่อไปจะมาหลอกอีกก็ไม่ยอมนะแต่ถ้าไม่จำนะหรือถ้าไม่รู้จักนะเห็นเป็นคนใหม่อยู่ทุกวันทุกวันทุกวั น, วนเนี่ยก็โดนหลอกอยู่เรื่อยๆแต่ธรรมชาติคนเราก็ไม่ใช่อย่างนั้นไงเวลา ถูกหลกบ่อยๆเราก็จําได้เราก็รู้จักคนนี้ไว้นคนนี้ไม่น่าเชื่อถือต่อไปเราก็ไม่อยอมให้หลอกอันนั้นกับคนแต่ถ้าเป็นความโกรธเนี่ยมันก็แปลกนะคนเราก็โกรธแล้วกโกรธอีกโกรธแล้วกโกรธอีกโกรธแล้วโกรธอีกไม่จำสักทีเชื้อโรคเนี่ยในร่างกายเราเนี่ยถ้ามันเข้ามามันเข้ามาในร่างกายเราเนี่ปงป้องกันเราเนี่ย เจอครั้งเดียวก็จําได้แล้วรู้จักแล้วไอ้นี่ไอ้นี่มันไอเชื้อตัวนี้เนี่ยมันมันอันตรายเชื้อโรคนี่มันเล่นงานร่างกายเราได้ครั้งเดียวนะส่วนใหญ่แล้วมันเล่นได้ครั้งเดียวเช่นโลกหวัดเนี่ยถ้ามาครั้งต่อไปนี่ภูมิคุ้มกันหรือภูมิต้านทายร่างกายเราจําได้แล้วว่าไอ้นี่มัน ตัวร้ายนะก็จะเข้าไปเล่นงานเจอครั้งแรกนี่ปล่อยให้มันผ่านเข้ามาไม่รู้ทันนะแต่เจอครั้งที่สองนี่ไม่ยอมแล้วพอในวิธีป้องกันเชื้อโรค ก, ก็คือการฉีดวัคซีนเข้าไปฉีดวัคซีนเข้าไปวัคซีนวัคซีคือเชื่อม อ, อ่อนนะให้ภูมิต้านทานร่างกายเราจำได้พอจำได้แล้ว ต่อมาเชื้อโลกที่เป็นตัวเ ป, เป็นแข็งแรงเข้ามาแต่ทางจมูกทางปากทางผิวหนังก็ตามเราก็รู้ผมต้านทานก็รู้ถ้าผมตัานทานร่างกายเราเนี่ยเจอครั้งเดียวมันจําได้แต่ว่าใจเรานี่แปลกนะเจอความโกรธนั่นแหละเจอโกรธแล้วโกรธซ้ําแล้วซ้าเล่าก็รู้ว่าโกรธไม่ดีรู้ว่าโกรธแล้วเป็นทุกข์นะ ใจก็อยากบอกว่าเนี่ยเมื่อไหร่มันจะเลิกโกรธสักทีแต่ไม่เคยเยรียนรู้ไม่เคยจดจําไม่เคยจํามันได้เลยในความโกรธเนี่ยอันนี้เพราะสตินี่นอ่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเราฝึกดูนะฝึกเห็นความโกรธใช้สตินี่แหละเห็นความกลัวความโกรวขึ้นเห็นมันน เห็นบ่อยบ่อยให้ บ, บ่อยบยเนี่ยมันจะจําได้มันจะจําได้ว่าไออารมณ์แบบนี้อ่าไม่เอาด้วยนะอารมณ์แบบนี้ฉันไม่หลงเชื่อแล้วมันเกิดขึ้นในใจใจไม่ไม่คล้อยตามแล้วใจไม่ถล่มเข้าไปในอารมณ์นี้นะพอความกลัวเกิดขึ้นปุ๊กรู้ทันจําได้เห็นมันก็เลยไม่ค่อยไปเป็น ความปวดความเมื่อยก็เหมือนกันนะมันมันเป็นอาการเกิดขึ้นกับกายแต่ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกนะพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแทนที่จะเห็นเวทนาเ็ความปวดเขาก็เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยส่วนหนึ่งพรามันมีแรงดึงดูดด้วยนะความปวดมันมีแรงดึงดูดดึงดูให้จิตเนี่ยเข้าไปเข้าไปจมหายเข้าไปปักตื่ในความปวดนั้น เราก็ลองฝึกนะฝึกฝึกดูเวลาปวดเวลาเมื่อยอย่าปาอย่ามัวแต่บน่บนโวยวายไม่ชอบนะถือว่าเออดีนะมีการบ้านให้ฝึกละนะก็ใหม่ๆก็ดูดูดูไม่เห็นสักทีนะโดนมันเล่นโดนมันโดนมันดูเข้าไปเข้าไปเป็นผู้ป่วยอยู่เรื่อยๆ แต่ต่อไปล้วก็จะถ้าเราทำเป็นบินก็จะเห็นเออเห็นความปวดนะอันนี้เราดูเวทนานะให้เห็นหรือรู้ทันอารมณ์นี่ก็เรารู้รู้ใจนะรู้ใจเวลาเกิดความโกรธเวลาเกิดอารมณ์ <c oughs> หรือเกิดความคิดนี่เรารู้ใจแต่เวลามีความปวดความเมื่อเรารู้ทันมัน ไม่เข้ไปเป็นผู้ปวดผู้เมือนเรียกว่ารู้เวทนาแต่ที่พื้นฐานเลยคือรู้กายนะอันนี้เป็นพื้นฐานเลยเบื้องต้นเลยนะสรการการฝึกสติรู้กายรู้กายมันก็รู้ได้หลายอย่างอย่างที่บอกนะรู้ว่ามันประกอบไปด้วยธาตุสี่รู้ว่ามันประกอบประกอบด้วยดินน้ําลมไฟคือรู้ว่ามันมาจากไหนรู้ว่ามันจะไปไหนคือคือรู้ว่าพอ พอ้าดินน้ำมันฟมันแตกสลายนี่มันร่างกายเป็นยังไงมันไม่สวยไม่งามแล้วเนาจะเริ่มจากการแข็งตึงแล้วก็อืดแล้วก็เน่าแล้วก็เปื่อยสลายอันนี้ก็การรู้กายก็ฝึกรู้ด้วยการเจริญสุภาพก็ได้เหมือนกันนะแต่ว่าเราทํา วิธีที่มันง่ายกว่า น, นั้นก็คือรู้อาการของกายใ น, นเวลาหนาวเนี่ยมันมีการตรึงส่วนไหนในร่างกายไหมบางทีเราเกรงนะเกร็งบางส่วนในร่างกายแเราเกรงนี่เราเกรงไม่รู้ตัวนะเกรงไม่รู้ตัวเนี่ยอ่าเราก็มาดูมันซะเห็นมันพอเห็นว่ามันเกรงมันก็คลาย เวลามีอารมณ์โกโรธเนี่ยเราเห็นลองสังเกตกายมั้ยมันเป็นยังไงนะความเกรงก็จะเกิดขึ้นด้วยมีการลมหายใจทีหายใจสั้นหายใจทีหัวใจเต้นเร็วนะความกลัวความกลัวก็เหมือนกันฝึกดูกายแบบนี้ก็ได้นะอันนี้ช่วยได้มากเวลาโกโรธเนี่ยเวลาไม่พอใจใครเนี่ยมันลืมตัวนะ จิตนี่มันพุ่งไปที่คนที่เราโกรธหรือจิตมันก็คิดหาคนทางแก้แค้นแล้วก็ร้อนถูกความโกรธเผาร้อนร้อนแต่พอเรากลับมาดูใจกลับมาดูกายกลับมาดูกายเหตุกายนี่มันนะหายใจเต้นหวัวลมหายใจทีหัวใจเต้นเร็วมันช่วยทำให้ความโกรธเนี่ยมันมันสะดุดนะมันไม่ต่อเนื่อง หรืเราจะรู้ทันความโกรธก็ได้นะรู้ทันความโกรธเห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเพียงแค่เห็นความโกรธเกิดขึ้นในใจเนี่ยไอความกรวมนก็มันก็สะดุดนะมันก็เบาเบาบางลงไม่ต้องไปทำอะไรกับความโกรธเพียงแค่รู้ทันมันก็พอแล้วเคยมีคนถามหลวงปู่ดูนนตุโลนะว่าเนี่ยทายังไงจะตัดความโกรธให้ขาด หมอปู่ท่นตอว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกเพียงแต่รู้ทันมันเมื่อรู้ทันมันก็ดับไปเองดับไปเองนะอารมณ์ทุกอย่างเนี่ยพอมันถูกรู้ทันเมื่อไหร่นะมันมันเหมือนกับโจรนะเหมือนกับขโมยที่แอบเข้าบ้านพอมาสบตาเจ้าของบ้านเน่ะมันก็ล่าถอยไปเองอารมณ์เหล่านี้ความกลัวนี่มัน มันเป็นขโมยนะที่แอบเข้ามาในในจิตใจของเราเพราะเราเผลอเหมือนขโมยเนะี่ยแอบเข้าบ้านเพราะเจ้าของบ้านเผลอหันหลังให้หรือว่าอมัวทำอะไรสักอย่างแต่พอหันมาสบตาขโมยเนะี่ยมันก็ละอายใจหรือมันก็กลัวมันก็หนีไปเองอารมณ์ นะต่างๆความกลัวความกลัวความเศร้ามันก็เหมือนกันนะมันมันคลองใจเราได้เพราะเราเผลอแต่พอเรารู้นะมีสตินี่มันมันหนีไปเองเลยมันยอมแพ้มันละอายใจนะมันกลัวอย่างที่เรางปู่ดูลบอกเมื่อรู้ทันมันมันก็ดับไปเองแค่เพียงแค่รู้ทันันก็พอแล้ว แต่ว่าเราจะรู้ทันมันได้นะก็ต่อเมื่อเราก็ต่อเมื่อเจอความกลัวบ่อยๆนะั่นแล้วก็ฝึกดูมันนะไอ้ความกลัวเกิดขึ้นเราบ่อยหลายครั้งมาแล้วตั้งแต่เล็กจนโตแต่เราไม่เคยคิดจะดูมันเลยคิดจะเห็นมันเลยนะล้วก็โดยมันหลอกทุกทีพะเราไม่รู้จักมันเราจํามันไม่ได้แต่ว่าเราฝึกดูฝึกเห็นมันมบ่อยๆจะจำได้ พอมันเกิดขึ้นอีกนะก็ไม่หลงเชื่อมันแล้วนะหรือว่ า, อาพอมันเกิดขึ้นอีกนะพอมันรู้ว่าเราเห็นพอมันรู้ว่าเรารู้มันก็ลาถอยไปเองนะมันมองอธิบายได้หลายแง่นะแต่ประเด็นสมคัญคือว่าฝึกรู้ทันนะ แล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไมไมงุนงุไม่ลําคายกับมันในการเจริญสติไม่เหมือนการฝึกสมถะหรือว่าทำความสงบนะถ้ามีความคิดมีอารมณ์เกิดขึ้นจะไม่ชอบเพราะมันทำลายความสงบแต่ว่าการเจริญสติเนี่ยอะไรเกิดขึ้นก็ดีทั้งนั้นนะเพราะว่ามันฝึกให้สติ วงไวปราดเปลี่ยวความโกรธเกิดขึ้นความไม่พอใจเกิดขึ้นความขัดอกขัดใจผุดขึ้นม า, าก็ดีเพราะว่าเป็นเครื่องฝึกสติและต่อไปเนี่นะมันจะทำให้เกิดปัญญานะเมื่อ เมื่อดูมันบ่อยๆดูมันบ่อยๆก็จะรู้จักมันรู้เท่าทันมันเราก็จะรู้จักมันลึกซึ้งขึ้นนะก็จะเห็นความจริงของมันนะเห็นความจริงที่มันแสดงออกหรือว่าเห็นลักษณะนิสัยใจคอของมันเห็นธรรมชาติของมันการเห็นตรงนี้แหละคือปัญญาละ่ะเห็นด้วยปัญญาอ่านะที่แรก เห็นว่ามันมีอยู่นะสติเนี่ยช่วยทำให้เห็นว่ามันมีอยู่มันมาสติเห็นแค่นี้นะเห็นว่าเออความโกรธมันเกิดขึ้นความโกรธเกิดขึ้นในใจนะความเศร้าเกิดขึ้นในใจเห็นการมีอยู่ของมันและพอมันไม่ไม่โกรธ ไม่ไม่เศร้าก็ก็รู้ว่ามันไม่อยู่หรือว่ารั่วมันดับไปนะสติมันเห็นเท่านี้นะแต่พอเห็นบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆก็จะรู้จักมันดีขึ้นแล้วก็จะรู้ว่าเอออารมณ์พวกนี้มันก็ไม่เที่ยงนะอารมณ์พวกนี้มันก็ไม่ใช่เรานะมันไม่ใช่ตัวเราเนาะมันเพียงแค่สักแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้น มันไม่ใช่ของเรานะอารมเราที่มันตั้งอยู่มันทนอยู่ไม่ได้นานนะเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปดับไปตรงนี้แหละที่จะเห็นนะเห็นไตรลักษณ์แล้วอันนี้จังทุกขังอนัตตาอันนี้เราเห็นด้วยปัญญา ห, หรือเกิดปัญญาขึ้นวนะมนั่งเห็นว่า ทั้งนื้นทั้งตัวเนี่ยนะมันไม่มีอะไรนอกจากกายกับใจมันไม่มีอะไรที่ยึกมาเป็นตัวเราได้เลยนะมันไม่มีตัวเรามันมีแต่กายกับใจและกายกับใจนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราด้วยนะอันนี้มันก็เห็นความจริงนะเกิดปัญญาขึ้นมา ปัญญาเกิดขึ้นในประการเห็นเห็นด้วยอะเห็นด้วยสติเห็นบ่อยๆเห็นบ่อยๆมันก็เห็นความจริงนะของสิ่งที่ถูกเห็นเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับนัก่ผู้ที่ฝ่ายในการเจริญสติเนี่ยไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นออ ก, ก, กับกายกับใจก็ดีทั้งนั้นนะเพราะว่ามันฝึกสติแล้วก็มันเสริมสร้างปัญญาด้วย อันนี้เรกว่าได้ประโยชน์แต่ถ้าเกิดขึ้นแล้วอาจจะทุกข์อาจจะเสียใจไม่น่าเลยบนโดยว่าตีโพยที่พายหรือกระป๋อกระแปะน อ, อันนี้เรียกว่าขาดทุนนะคือนอกจากทุกข์แล้วยังยังหลงอีกนะแล้วหลงหนักขึ้นแต่ถ้าเราฉลาดแล้วก็จะรู้จักใช้ให้เป็นประโยชน์ ถึงแม้ปวดก็จะไม่ปวดฟรีฟรจะไม่เมื่อฟรีฟรีถึงแม้หนาวก็จะไม่หนาวฟรีฟรีนะถึงแม้จะเจ็บป่วยก็ไม่ป่วยฟรีฟรีนะได้ประโยชน์จากมันด้วยนะประโยชน์ทางธรรมฝึกทั้งสติและปัญญาชาเนี่ยพูด ก, กับธนรมนินทะรับครับ